ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันทำไมบางคนรวยบางคนจนบางคนมีเพื่อนมากบางคนไม่มีเพื่อนบางคนมีศัต ร, รูมากบางคนไม่มีศัต ร, รู บางคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลาบางคนไม่สวยไม่หล่อบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดบางคนเก่งบางคนไม่เก่งบางคนมีอายุยืนยาวนานบางคนอายุสั้นบางคนมีอาการครบสามสิบสอง บางคนไม่มีอาการครบสามสิบสองบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากอะไรตามหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเกิดจาก บุญบรารมีที่แต่ละคนได้สร้างกันมาในอดีตชาติจึงส่งผลให้มาเกิดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะในอดีตชาติแต่ละคนก็สะสมบุญบรารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองนี่คือ สาเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมามีความแตกต่างกันถ้าเราอยากจะไปเกิดและได้เกิดในสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ดีต่างๆเช่นอยากร่ำรวยอ ย, อยากมีเพื่อนฝูงอยากมีความฉลาดมีความสามารถ มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเรามาสร้างบุญสร้างบารมีกันแล้วต่อไปข้างหน้าถ้าเรายังไม่ไล้ไปถึงพระนิพพานเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีต่างๆ บุญบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างก็มีอยู่สิบบารมีด้วยกันคือหนึ่งเมตตาบารมีสองทานบารมีสามศีนบารมีสี่เนคข ม, มะบารมีห้าอุเบกขาบารมีหกปัญญาบารมี เจ็ดอธิษฐานบารมีแปดสัจจะบารมีเก้าวิริยะบารมีและสิบขันติบารมีนี่คือบารมีสิบประการที่จะทำให้ผู้ที่ได้สะสมนั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีที่งาม ที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญถ้าใครอยากจะได้พบกับสิ่งที่ดีได้รับความสุขความเจริญก็ควรที่จะสะสมบุญบา ร, รมีกันบา ร, รมีข้อที่หนึ่งที่เราจะสะสมกันก็คือเมตตาบา ร, รมี เมตตาบารมีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทําความดีทั้งหลายคนเราจะทําความดีได้ต้องมีความเมตตามีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานต้องมีความเมตตาต่อกัน ความเมตตานี้หมายความว่าอย่างไรคือความมีไมตรีจิตเนี่ยมองทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนถ้าเราไม่มองคนอื่นไม่เป็นมิตรเราก็จะไม่มีความเมตตาเราต้องมองทุกคนว่าเป็นมิตรมิตรในลักษณะไหนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันนี่เองเพื่อนร่วม โลกของวัฏฏะสงสารเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามองว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเราก็จะสามารถสร้างเมตตาบา ร, รมีขึ้นมาได้การจะสร้างเมตตาบา ร, รมีนี้ก็ต้องสร้างด้วยการกระทำํำสร้างด้วยการปฏิบัติไม่ใช่สร้างด้วยการสวด อย่างที่เราเข้าใจกันการสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการสร้างเมตตาบารมีเป็นการศึกษาหรือเป็นการเตือนเตือนใจสอนใจให้แผ่เมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งปวงแต่การจะแผ่เมตตาต่อสปปรรพสัตว์นี้ต้องแผ่ด้วยการกระทํา เช่นเมื่อพบปะกันก็แผ่ตอนนั้นมีอะไรอยากให้เขามีความสุขก็แบ่งปันให้เขาไปมีข้าวของเงินทองเจอกันก็เอามาฝากกันเช่นเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราก็ซื้อของฝากกันเวลากลับบ้านไปพบกับคนที่เรารู้จัก เราก็เอาของฝากไปให้เขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเพราะทำให้ผู้รับของฝากนั้นเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความรักความชอบในตัวผู้ให้นี่ก็คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทาการสวดนี้เป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่ เมตตาเวลาที่เราพบปะกันวิธีแผ่เมตตาท่านก็สอนไว้สี่ลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งสัพเพสัตตาอเวราโหนตุจงอย่ามีเวณกับสัตวพะสัต ท, ทั้งปวงไม่ว่าใครก็ตามเขาจะดีหรือร้ายกับเรา เราก็ไม่ควรไปจองเวรจองกรรมกันเขาพูดไม่ดีทําไม่ดีทําให้เราเสียใจทําให้เราเสียหายเราก็ต้องให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงแต่สวดเฉยๆแล้วเวลาไปพบปะกันก็ไปโกรธไปเกลียดกัน อย่างนี้ไม่ใช่การแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเพื่อลั ง, งับความโกรธความเกลียดกันด้วยการให้อภัยกัน ء. เวลาใครเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีทำให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราเสียหายอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขา ء. เราต้องให้อภัยเขาไม่จองเวรจองกรรมกัน ء. อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาออลักษณะที่สองอัปยาปัชชาโหนตออุอย่าเบียดเบียนกัน อ, อ, อย่าทำร้ายกัน อ, อ, อย่าสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่กัน อ, อ, อยู่ร่วมกันออต้องรักกันออช่วยเหลือกันออไม่ใช่มาจ้องทำร้ายกัน นี่ก็คือความการแผ่เมตตาไม่เบียดเบียนกันอา น, นิคาโหนตุมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเห็นใครก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจถ้าช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์กายทุกข์ใจของเขาได้ก็ทำไปเขาเดือดร้อนขาดแคลนอะไร พอที่จะช่วยเหลือทำให้เขาคลายจากความเดือดร้อนได้ก็ทำไปนี่เรียกว่าอนิกาหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุแปลว่าขอให้เขามีความสุขรักษาตนวิธีที่จะทำให้เขามีความสุขก็คือทำอะไรที่เขาชอบเขาอยากได้ข้าวของเงินทอง เรามีข้าวของเงินทองเหลือใช้เหลือกินเราก็แบ่งปันกันไปที่เราส่งสอกรสอกันส่งความสุขให้ต่อกันไปงานเลี้ยงวันเกิดก็ซื้อของขวัญไปให้กันอันนี้เรียกว่าให้เขามีความสุขทำอะไรที่ทำแล้วทำให้ผู้อื่นมีความสุข เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาที่เราสวดกันนี้สวดเพื่อให้เข้าใจความหมายสวยดเพื่อให้ถึงเวลาที่จะต้องทําจะได้ทําได้เป็นเหมือนกับการทําการบ้านเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตานี้เวลาสวดไปเราต้องเข้าใจความหมายของการสวดว่าอาเวลาโหนตุนี้หมายความว่ายอย่างไร หมายความว่าเราต้องไม่จองเวรจองกรรมกันต้องให้อภัยกันอัปยาปชาโหนตุเราต้องไม่เบียดเบียนกันอ น, กอนิคาโหนตุเราต้องช่วยเหลือให้เขาได้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตนานปะลิหารันตุเราต้องทำให้เขามีความสุข วิธีให้เขามีความสุขก็เอาใจกันเอาอกเอาใจกันทำในสิ่งที่เขาอยากได้อยากได้ของก็ให้ของไปอยากได้เงินทองก็ให้ไปแล้วเขาก็จะมีความสุขเมื่อเขามีความสุขแล้วเขาก็จะรักเราเราก็จะมีเพื่อนไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีใครคิดทำร้ายเรา ทำไมเราไม่มีศัตรูทำไมเรามีศัตรูหรือไม่มีศัตรูมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนก็อยู่ที่การมีความเมตตานี้นั่นเองอ น, นิสงค์ของการมีความเมตตาท่านก็แสดงไว้หลายประการด้วยกันเช่นะจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตานี้จะมีแต่คนรัก ไม่มีใครเกลียดชังเพราะไปอยู่ที่ไหนกับใครก็สร้างความสุขให้กับเขานั่นเองแล้วมีใครจะไปเกลียดชังรังเกียจไม่มีเหมือนซันต์ครอสเห็นไหมเด็กนี่เพียงแต่ไม่เคยเจอเพียงแต่ได้ยินชื่อก็ยังรักซันต์ครอสเลยเพราะว่าซันต์ครอสมีแต่ของแจกในวันคริสต์มาสนี่นขี่รถมา เป็นของเต็มรถมาแจกเด็กตามบ้านต่างๆเด็กไม่เคยเจอซันตครอสแต่เด็กกลับรักซันตครอสพอรู้ว่าซันตครอสเป็นคนใจดีคนใจบุญคนใจดีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือความพูดที่มีความเมตตาแล้วจะไม่ตายด้วยการ ถูกฆ่าด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีศัตรูไม่มีใครคิดที่อยากจะข่าเราจะตายแบบธรรมชาติตายด้วยวัยชราหรือตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือตายด้วยอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยที่ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถเหล็กเลี่ยงได้ด้วยการตายจากการฆ่าของผู้อื่นการการฆ่าด้วยอาวุธก็ดีฆ่าด้วยยาพิษต่างๆก็ดีและเวลาได้จะอยู่อย่างมีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขแล้วเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะมีแต่ฝันดีนี่คือ ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการแผ่เมตตาประโยชน์จากการที่เรามาสร้างเมตตาบารมีกันแล้วไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีแต่คนรักคนชอบจะมีเพื่อนมากจะไม่มีศัตรูนี่คือบารมีข้อที่หนึ่งที่พวกเราควรที่จะมาสะสมกันสร้างกัน อย่างวันนี้พวกเราก็มาสร้างเมตตาบารมีโดยการนำเอาข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายให้กับวัดมาถวายให้กับพระภิกษุที่อยู่ปฏิบัติธรรมบนเขานี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการสร้างเมตตาบารมีบารมีข้อที่สอง ก็คือทานบารมีเราถ้าเรามีเ ม, มตตาแล้วการสร้างทานบารมีนี้จะง่ายถ้าเราไม่มีเมตตานี้เราจะสร้างทานบารมีไม่ได้ถ้าเราโกรธใครเกลียดใครนี้เราไม่ยอมให้อะไรเขาแน่นอนแม้แต่เงินบาทเดียวก็ไม่ยอมให้ถ้าเราเกลียดใครแล้วโกรธใครแล้วแต่ถ้าเราไม่โกรธใครเราไม่เกลียดใคร มันก็จะทำให้การทำทานของเรานี้ทำได้อย่างง่ายได้ถ้าเรามีความรักมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ต่อสรรพบุคคลเราก็จะสามารถทำทานได้อย่างง่ายได้การทำทานนี้ก็เป็นการให้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เป็นส่วนเกินสิ่งที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้สิ่งที่เรา ไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปทำบุญทำทานอย่าเอาไปใช้ในทางที่จะเกิดโทษคือเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆเพราะการเอาเงินทองนี่ไปใช้ตามความอยากจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็จะทำให้ต้องทุกเวลาที่เงินทองหมดเงิน ไ, ไ, ไม่เงินไม่พอใช้แต่ความอยากมันไม่หมดไปกับเงินทองแล้วเวลาเกิดความอยากใช้เงินแล้วไม่สามารถได้มีเงินใช้ก็จะเกิดแต่ความไม่สบายใจความทุกข์ใจควรจะ่ะงับการใช้เงินแบบนี้ ใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจทำให้มีแต่ความอยากความหิวความโหยอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้ไม่สามารถมาทำทำทานได้ ดังนั้นเวลาที่เรามีเงินแล้วเราคิดว่าเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันเอเราต้องรีบหยุดมันเสียบอกทําอย่างนี้ไม่ถูกทําแล้วเราจะไม่มีทานบารมีไปข้างหน้าเราจะยากจนลําบากเพราะเราไม่ได้เอาเงินเข้าเงินเข้าไปในธนาคารบุญ น, นั่นเองอการทําทานนี้เปลี่นกับว่าเป็นการเอาเงินเข้าไปฝากไว้ในธนาคาร เวลาเรากลับมาเกิดพบหน้าชาติหน้าเราจะได้มีเงินทองรอเราอยู่อย่างพระเวชสันดรก็ทำบุญทำทานอย่างมากมายกายกองพอตายไปบุญก็ส่งให้ไปอยู่ในสวรรค์บุญก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราจะาไปใช้ในโลกทิพย์นั่นเองเหมือนกับเงินต่างประเทศเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ เราก็ต้องเปลี่ยนสกุลเงินไปเอาเงินไทยไปก็ใช้ไม่ได้ต้อ ง, เ ป, ป เ, ง เ, เปลี่ยนเป็นเงินสกุลที่เขาใช้กันเช่นเปลี่ยนเป็นเงินดอลหรือเปลี่ยนเป็นเงินของประเทศที่เราจะไปเที่ยวเราก็จะได้ใช้เงินได้ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้การทำบุญก็เหมือนกับเปลี่ยนสกุลเงินเปลี่ยนเงินทองไปเป็นบุญ พอตายไปก็มีบุญติดตัวไปบุญนี้เป็นเงินที่ใช้ในโลกทิพย์ทาให้เราไปอยู่ตามโรงแรมหรูหราได้กินอาหารตามร้านอาหารหรูหราไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่หรูหราได้เพราะเรามีเงินไปมีเงินติดตัวไปนี่คือทานที่เราทำจะเป็นทรัพย์ภายในที่จะเราเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้ แล้วเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่กลับมาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างพระเวชสันดรพอตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์ระหว่างช่วงที่รอมีร่างกายอันใหม่พอถึงเวลาที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ มาเป็นลูกของพระมาหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติเงินทองรอรอยอยู่เช่นมีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยให้บริการอำนวยความสุขต่างๆตลอดเวลานี่คือทานบารมีการให้การให้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ที่เรามีที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นเงินทองนี้มีไว้ใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ก็คือเลี้ยงดูร่างกายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่จะมีปัจจัยสี่ก็ต้องมีเงินทองเป็นเป็นสิ่งที่จะไปซื้อหามาถ้าไม่มีเงินทองก็ซื้ออาหารไม่ได้ซื้อ เสื้อผ้าไม่ได้ซื้อยารักษาโรคไม่ได้ซื้อที่อยู่อาศัยไม่ได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีเงินทองการที่เราทำมาหากินก็เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่บางทีเนื่องจากว่าเราหามาได้มากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้เราก็ต้องรู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าใช้มันแบบให้เกิดโทษ ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือใช้กับปัจจัยสี่ให้เพียงพอถ้ามีเหลือก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้วันข้างหน้าสำมรองไว้เพราะเราไม่รู้ว่าข้างวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น เ, ออเราอาจจะตกงานหรือเราอาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาเงินหาทองอย่างที่เรากำลังหาอยู่ได้ในตอนนี้ ถ้าเราไม่เก็บสำรองไว้เดี๋ยวเวลาเราหาไม่ได้เราจะเดือดร้อนแต่ถ้าเรามีเงินสำรองไว้เราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วถ้ายังมีเหลือเก็บสำรองไว้แล้วก็ยังมีเหลือก็อย่าเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาความอยากอย่าไปซื้อของตามความอยากต่างๆอย่าไปเที่ยวตามความอยากต่างๆเอาเงินนี้ไปทำบุญ เอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญไปสร้างทานบารมี เ, เพื่อที่เวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้รวยเราจะได้ร่ำรวยมีเงินทองรอเราอยูอ่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างอาตอนที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างเต็มที่มีอะไรที่จะให้ขายได้ท่านก็ให้หมดท่านไม่หวงไม่เก็บเอาไว้ ตายไปก็ไปสู่สุขติไปอยู่ในสวรรค์กลับลงมาก็กลับมาเกิดเป็นลูกของพ ม, มหากษัตริย์นี่คือเรื่องของทานบา ร, รมีถ้าเรามีเมตตาบา ร, รมีการสร้างทานบา ร, รมีก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายได้เพราะเราคิดว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนร่วมโลกด้วยกันถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของการเกิดแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเหมือนกับการเดินทางเวลาเราเดินทางนี้ถ้าคนที่ร่วมเดินทางเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นของที่จะทำให้เกิดมีความรักความเมตตาต่อกันแล้วเผื่อเวลาที่เรา เดือดร้อนขาดแคลนเขาก็จะช่วยเหลือเรานี่คือข้อที่สองคือทานบารมีถ้าเราทาสร้างทานบารมีได้ข้อที่สามก็จะไม่ยากต่อการสร้างก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือการไม่เบียดเบียนกันนี่เองก็ต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐาน พราถ้ามีพื้มีเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วเราก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนใครเะการรักษาศีลก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายศีลก็คือศีลห้าศีลห้าถ้ายังรักษาไม่ได้ห้าข้อก็รักษาเท่าที่ได้ไปก่อนห้าไม่ได้ก็เอาสี่ก่อนสี่ไม่ได้ก็เอาสามก่อนไม่ได้ก็สองหรือหนึ่งก่อน แต่อย่าไม่มีเลยคนที่อย่างน้อยมีสักข้อหนึ่งแล้วก็ต่เต้าขึ้นไปหลังจากรักษาข้อที่หนึ่งได้แล้วก็รักษาข้อที่สองข้อที่สามขึ้นไปตามลำดับตอนต้นอาจจะรักษาแค่วันพระก่อนอาทิตย์ละวันก่อนต่อไปก็รักษาเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันวันโกนด้วยวันพระด้วยต่อไปก็เพิ่มเป็นสาวัน วันโกนวันพระแล้วก็วันหลังวันพระทำกันไปเดี๋ยวต่อไปก็รักษาได้ทุกวันมันเหมือนกับการหัดทำอะไรใหม่ๆเวลาทำอะไรใหม่ๆก็รู้สึกขัดๆัดยากยากเพราะไม่เคยทำเคยทำอย่างอื่นพอต้องมาทำอีกอย่างมันก็เลยรู้สึกลาบากแต่มันไม่เป็นเหตุสิ่งที่สุดวิสัยของทุกคนที่จะสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องมีความเพียรพยายามเท่านั้นเองความเพียรพยายามนี้ก็เรียกวิริยะบารมีต้องมีความเพียรพยายามแล้วก็ต้องมีความตั้งใจคืออธิษฐานบารมีจะทำความดีได้ น, นี้ต้องมีอธิษฐานความตั้งใจอย่างวันนี้ต้องตั้งใจมาวัดก่อนถ้าไม่ได้ตั้งใจมาวัดเดี๋ยวเกิดเพื่อนมา โทรมาชวนให้ไปทำธุระที่นั่นที่นี่ก็ไปเลยเพราะไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดแต่ถ้าตั้งใจมาวัดก็อาจจะปฏิเสธเขาไปก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาชวนเอาไปนี้มันน่าสนใจหรือไม่แต่เขาชวนไปในสิ่งที่เราชอบเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถึงแม้เราจะตั้งใจมีอธิษฐานแล้วมีความตั้งใจก็คือการอธิษฐานเนี่ย ตั้งใจจะไม่มาวันแต่พอเขามาชวนไปทําในสิ่งที่เราชอบมากเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้วิธีที่จะทําให้เราไม่เปลี่ยนใจเราก็ต้องมีสัจจะสัจจบา ร, รมีคือเราต้องเราต้องแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราผูกใจไว้แล้วว่าตั้งใจจะทําอะไรแล้วหัวเด็ดตินขาดจะต้องทําให้ได้ ยกเว้นในกรณีที่มันสุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยกระทานหันขึ้นมาตั้งใจจะมาวัดพอตื่นขึ้นมาท้องเดินเดินทั้งวันถ่ายวันล ะ, ะชั่วโมงละสามสี่ครั้งนี่แสดงว่าไปไม่ได้แนละ้วไปเดี๋ยวไปถ่ายรถในรถอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เรื่องสุดวิสัยแต่ถ้าไม่เรื่องเป็นสุดวิสัยเช่นมีเพื่อนมาชวนให้ไป ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ไปโดยเด็ดขาดถ้ามีสัจจะบารามีคือมีความจริงใจต่อความตั้งใจของตนเราการที่จะทำอะไรได้นี่เราต้องมีเราต้องตั้งใจก่อนถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเช่นการสร้างศีลบาลามีเราก็ต้องตั้งใจการสร้างทานบารามีเราก็ต้องตั้งใจการตั้ง การสร้างเมตตาบรารมีเราก็ต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะต้องแผ่เมตตาต่อไปนี้เราจะต้องทําทานต่อไปนี้เราจะต้องรักษาศีลเมื่อมีความตั้งใจแล้วก็ต้องไม่เปลี่ยนใจวิธีไม่เปลี่ยนใจก็ต้องมีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วพอตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทําเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน ตอนที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพว่าจะตั้งจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรัรุถ้าไม่ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นี้ไปโดยเด็ดขาดถึงแม่เลือดจะเหือดแห้งไปจากในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ทรงลุกจากที่นั่งจะทรงนั่งภาวนาไปจนกว่าจะได้ตัดสรู้ได้ค้นพบความจริงที่ทำให้พระองค์ หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานนี่อาจจะไม่สำเร็จก็ได้เพราะนั่งไปแล้วอาจจะต้องเจอความยากลำบากก็จะไม่อยากจะนั่งต่อถ้าไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานก็อาจจะลุกล้มเลิกเลิกไปถ้าไม่มีความเพียรพยายามไม่มีขันติความอดทน เนี่ยบารมีสี่ข้อนี้เป็นบารมีที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีที่เราควรจะสร้างกันเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีนะถ้าเรามีอธิษฐานมีความตั้งใจจะรักษาศีจาลจะรักษากี่ข้อก็ตั้งไปตอนนี้รักษาได้สามข้อก็ขอตั้งสามข้อก่อนแล้วก็มีสัจจะ ว่าจะต้องรักษาไปยกเว้นกรณีที่มันสุดวิสัยรักษาไม่ได้นอกนั้นจะรักษามันไปจะเพียรพยายามรักษามันไปแล้วเพียรพยายามรักษาให้มันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะอาทิตย์ละวันต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันเพิ่มไปเรื่อยเื่เรียกว่าความเพียรพยายามมันยากมันลาบากก็ต้องใช้ขันติกอดทน คนมันไปทํามันไปถ้าทำไปอย่างนี้ไปต่อไปก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้สามารถสร้างศีลบาลเมฆขึ้นมาได้อา น, นิสงค์ของการมีศีลก็คือจะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเปิดประตูอบายได้การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะเวียนอยู่ในสุคติถึงแม้ถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานก็จะ เป็นว่าอยู่ในสุขติตายไปก็ไปเป็นเทพเป็นพรมกลับมาก็มาเป็นมนุษย์ที่ดีที่มีบารมีสนับสนุนเป็นคนดีทำทำให้สามารถทำความดีต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลบารมีที่เราควรที่จะมาสร้างกัน พราะผู้ที่สร้างมีศีลบารมีแล้วจะปลอดภัยจากผู้ศัตรูจะไม่มีศัตรูเพราะไม่ได้ไปเจาะสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครนั่นเองการทําบาปนี่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ผู้กับผู้อื่นเช่นไปทําร้ายเขาไปลักท ร, รัพย์ของเขาไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวง อันนี้เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมไปสร้างศัตรูไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาลังควานแลวตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดลฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนสุลกายไม่ต้องไปตกนรกปิดประตูอบายได้ ด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์พอเราสร้างเราสร้างศีลบารมีได้เราก็จะสามารถสร้างบารมีข้อต่อไปได้ก็คือเนคข ม, มะบารมีเนคข ม, มะแปลว่าการออกจากการหาการมมาสุขตอนนี้พวกเรายังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายอยู่เรียกว่ากามคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเรายังอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอะไรเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมาสุขเป็นการเสกกามแต่ถ้าเราอยากที่จะพบกับความสุขที่ดีกว่าที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการเสกกามถ้าเราอยากจะไปสู่พบพบที่สูงกว่า ก็คือพบของของเทพของพระอริยเจ้าเราก็ต้องมาสร้างในคคัมมกบารมีกันมาละเว้นการเสพการการเจริญในคคัมมาบารมีบารมีนี้เจริญอย่างไรก็คือการถือศีลแปนี่เองเพิ่มอีกสามข้อเราสร้างเรา ถ้าเราสร้างศีล์ห้าได้แล้วการจะเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นตรงไหนข้อที่สามก็เปลี่ยนจากาการมีสุมิชฌาล า, าเวรามณีการประพฤติผิดประเวณีมาเป็นอ布拉มจริยาเวระบณีคือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกันถ้าถือสีห์ห้ายัางร่วมหลับนอนกันได้ แต่ถ้าถือศีลแปดก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพราะเราจะต้องเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนนั้นมาสร้างความสุขทางใจสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือการสร้างอุเบกขาบารมีจะสร้างอุเบกขาบารมีได้ต้องมีเนคขมะบารมีเป็นผู้สนับสนุนเราจึงต้องถือศีลแปดกัน ละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลหลังจากเที่ยงวันไปเราก็จะได้ไปทำความสงบได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติทำใจให้สงบทำใจให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารอาันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องบาเพ็ญกันก็คือเนคขมมะบารมี เวลาที่เราไปอยู่วัดไปนุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวแล้วถือศีลแปดเนี่ยเรียกว่าเรากำลังบาเพ็ญเนคขมะบารมีเป็นการสร้างเนคขมะบารมีเป็นการฝึกจิตให้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่ไม่เศร้า ไ, ไม่เหงาไม่ว้าเหวถ้าเรามีเนคขมะบารมีเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวเราอยู่ได้อยู่คนเดียวได้นอนคนเดียวได้ อดข้าวเย็นได้ไม่มีหนังไม่มีเพลงให้ดูให้ฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเครื่องสำอางไม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆให้สวมใส่ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนกับการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆ แล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการที่ใจนิ่งสงบปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงใจที่จะเป็นอย่างนี้ได้ใจต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบ เป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เลิศที่สุดที่เวที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่เกิดจากการสร้างอุเบกขาบารมีนี่เองถ้าเราสร้างอุเบกขาปรากฏขึ้นมาได้ ใจของเราก็จะมีความสุขสุขยิ่งกว่าความสุขของมหาเศรษฐีสุขยิ่งกว่าความสุขของพระราชามหากษัตริย์สุขยิ่งกว่าความสุขของปัทนาทิปดีของนายกรัฐมนตรีนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่กลับไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็พระองค์ได้ทรงพบกับความสุขอันนี้พบกับอุเบกขาที่ทำให้พระองค์มีความสุข ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่แบบขอทานทางร่างกายแต่จิตใจของท่านนี้เป็นยิ่งกว่ามหาเศรษฐีมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐียิ่งกว่ามหากษัตริย์จึงทำให้พระองค์ไม่เคยคิดที่จะกลับไปเป็นเจ้าชายต่อไปไม่เคยคิดที่จะไปเป็นพระมหาจากักรพรริเนี่ก็รู้ว่าความสุขเหล่านั้นสู้ความสุขที่ได้จากการทาใจให้สงบเป็นอุเบกขาไม่ได้ การสร้างอุเบกขาบารมีก็ต้องอาศัยการเจริญสติต้องมั่นควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อนเปื่อยหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่เราจะมีเวลามาเจริญอุเบกขาได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทําแล้วกิจกรรมอย่างอื่นเราใช้ศิ้นแปดห้ามไว้หมดจะไปกินข้าวเย็นก็ไม่ได้จะไปงานเลี้ยงก็ไม่ได้จะไป เที่ยวก็ไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ต้องเดินแบบมีสติการเดินนี้ก็เพื่อสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็ต้องควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปการสร้างสตินี้เราสามารถสร้างได้ตั้งแต่เต่นขึ้นมาเลย พอตื่ตาขึ้นมานี่เราไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เสียเวลาเพราะไม่มีไม่มีความจําเป็นอย่าต้องคิดก็หยุดมันดีกว่าหยุดด้วยพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปอไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำํำละอแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมก็พุโทโธไปเพราะตอนนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดนรับประทานอาหารก็ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราฝึกพุโทโธอย่างนี้แล้ว จะมีสติหยุดความคิดได้ถ้าไม่มีสติเวลามานั่งสมาธิจะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้จิตจะไม่รวมจิตจะไม่เป็นโอเบกขาจะให้มันรวมนี้จะต้องนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆแล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือจะดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้เอถ้าชอบดูลมก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าชอบพุโทโธก็พุโทโธไป ถ้าชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งพี่ชอบทั้งน้องก็เอาพุทธเข้าโทออกไปก็ได้สามวิธีวิธีที่จะทําให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาอนนี้คือวิธีสร้างอุเบกขาบารมีถ้ามีสติแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้ามีความพยายามมีอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะ จเจริญอุเบกขาบรารมีมีสัจจะไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมพอเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องไปถึงเวลาก็ไปไปแล้วก็ต้องเพียรพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากนั่งแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนเอา พยายามไม่มีสติเดี๋ยวสติจะพาให้เราฟันฝ่าความเจ็บความปวดของทางร่างกายไปได้แล้วต่อไปความเจ็บทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจจิตใจจะอยู่กับความเจ็บได้เพราะจิตใจจะรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการพบกับความเจ็บความเจ็บนี้เราดับมันไม่ได้แต่เราดับความทุกข์ใจที่เกิดเวลาที่เราพบกับความเจ็บได้ถ้าเราไม่มีความทุกข์ใจ เวลาที่เราเจอความเจ็บทางร่างกายเราจะอยู่กับความเจ็บทางร่างกายได้จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนก็เพราะเราทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราอยากอยากหนีจากความเจ็บทางร่างกายไปหรืออยากให้ความเจ็บมันหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนทาให้เราไม่สามารถอยู่กับความเจ็บนั้นได้ต้องไปหาวิธีกำจัดมัน An, mm hmm. เปลี่ยนอิยาบทนั่งแล้วเจ็บก็เปลี่ยนความเจ็บหายไปความทรมานใจก็หายไปแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทรมานใจวิธีแก้ความทรมานใจก็คืออย่าไปสนใจกับความเจ็บให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วความอยากจะให้หายเจ็บมันจะไม่เกิดแล้วความทรมานใจที่เกิดจากความเจ็บก็จะไม่เกิดแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ แล้วมันจะเฉยกับความเจ็บได้เมื่อมันถึงขีดที่เรียกว่าอุเบกขาพอถึงอุเบกขาแล้วมันจะเฉยรู้ว่าเจ็บแต่มไม่เดือดร้อนอยู่กับความเจ็บได้นี่คือประโยชน์ของอุเบกขาบารมีถ้าเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่ตั้งของใจถ้าใจอยู่อเบกขาแล้วใจจะปลอดภยัยจากความทุกข์ทั้งปวงแต่อุเบกขาที่ใจไดจากการจเจริญสตินี้มันไม่ถาวร พอเวลาสติเสื่อมอุเบกขาก็จะเสื่อมตามเช่นอยู่ในสมาธิได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวสติอ่อนกำลังลงจิตก็จะต้องถอนออกมาออกจากสมาธิพอถอนออกมาอุเบกขาก็จะเริ่มเสื่อมไปตามกำลังของสติถ้าอยากจะให้อุเบกขานี้อยู่อย่างถาวรหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องมาสร้างปัญญาบารามีกัน เพราะถ้าเรามีปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้สามารถรักษาคุ้มครองอุเบกขาที่เราได้จากสมาธินี้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะปัญญาจะรู้ผู้ที่จะมาทำลายอุเบกขาบารมีคือใครก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากต่างๆพอเวลาใจเกิดความโลภขึ้นมานี้อุเบกขาก็จะเปลวหายไปเลย แล้วออกจากสมาธิมาใหม่ๆใจยังสบายยังเฉยอยู่แต่พอไปคิดถึงข น, นมคิดถึงกาแฟขึ้นมาพออยากกินอยากดื่มขึ้นมาเนี่ยอุเบขาไม่ได้แล้วใจต้องสันงนนาา่นแล้วต้องไปรีบหาขนมหากาแฟมากินนะแต่ถ้ามีปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําอย่าไปทําตามความอยากมันเป็นความสุขเดียวๆแล้วมันก็เดี๋ยวก็จะอยากขึ้นมาใหม่ แล้วจะอยากไม่มีวันจบวิธีที่จะแก้ก็คืออย่าไปอยากมันสร้างสติขึ้นมาสู้กับมันพุทโธสู้กับมันหยุดความคิดหยุดความอยากถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็สงบเหมือนเดิมเป็นอุเบกขาเหมือนเดิมแล้วต่อไปความโลภความอยากมันก็จะหมดกำลังไปถ้าทุกครั้งมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราไม่ตอบแทนมันเราไม่ทาตามที่มันต้องการ กำลังของความโลภความอยากมันก็จะอ่อนไปแล้วใ น, นที่สุดมันก็จะหมดไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรมาทำลายอุบเบกขาที่เราได้จากการมีสติควบคุมใจให้สงบให้นิ่งไม่คิดปรุงแต่งแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปควบคุมใจเพราะไม่มีอะไรที่จะมาคอยทำลายอุบเบกขาตัวที่จะมาทำลายก็คือตัณหาความอยากนี้เอง ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวได้ความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปความอยากก็จะกลับมาใหม่แล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรา หยุดมันเสียตานนี้ไม่ไปทําตามความอยากใช้สติสู้กับมันพุโทโธพุโทโธทาใจให้สงบเอาดึงอุเบกขากลับมาความอยากมันก็จะหมดกาลังไปต่อไปมันจะหมดได้ต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าทำไมเราไม่ไม่ควรทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะพาให้เราไปอยากไม่มีวันสิ้นสุด จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยการที่พวกเราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็เพราะความอยากนี่แหล ะ, ะเพราะเราไม่เคยกำจัดมันไม่เคยสู้กับมันทุกทานมันอยากเอาได้ได้อะไรทำตามใจมันมันเหมือนเป็นเจ้านายเราสั่งให้เราไปเอากาแฟก็ไปสั่งให้เราไปเที่ยวก็ไปสั่งให้เราไปดูหนังก็ไปสั่งให้เราไปฟังเพลงก็ไปไม่เคยถามเลยว่าไปทำไมไปแล้วได้อะไร ก็ได้อะไรได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวหมดไปมันก็สั่งให้เราไปหาใหม่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปมันก็สั่งให้เราไปไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้มีร่างกายอันใหม่มาทําตามความอยากต่อไปแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ต้องมาทุกกับการอยู่ในโลกนี้วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น นี่คือปัญญาความรู้ที่เราต้องรู้ว่าทำไมเราจึงไม่ต้องทาไมเราต้องละความอยากเพราะความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อนี่มันชิ้นเล็กๆเกท่านั้นเองแต่พอก็ไปฮุบเหยื่อแล้วทีนี้เป็นยังไงถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเสียชีวิตเลยมปลาปลางโง่ ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปฮุบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากถูกเขาดึงไปจับไปฆ่าลงหม้อแกงแต่ถ้าปลาฉลาดเห็นว่าโอ้มันมันมีตะขอเบ็ดซ่อนอยู่นะอย่าไปฮุบมันดีกว่าถอยดีกว่าก็จะปลอดภัยจิตที่ฉลาดมีปัญญาก็จะเห็นว่า ความสุขที่จะได้จากการทำตามความอยากนี่เป็นเหมือนกับเห mm. ยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเพราะถ้าไปหุบแล้วมันจะติดมันจะต้องอยากได้อยู่เรื่อยๆได้ไมมปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดแล้วไปเที่ยวมาปั๊บเดี๋ยวกลับมาบ้านก็หายไปแล้วพรุ่งนี้ก็อยากไปเที่ยวใหม่แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์แล้วสิทรมานใจแล้ว mm. นี่คือปัญญาทำไมเราต้องไม่ทาตามความอยากทาไมเราต้องละความอยาก พราะความอยากเป็นผู้ที่จะดึงให้เราต้องไปทุกข์ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นเป็นผู้ที่จะดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรารู้ด้วยปัญญาทุกครั้งเกิดความอยากเราก็จะสู้กับมันด้วยสติมีสติมีปัญญาแล้วก็ต้องมีสติสติปัญญานี่เป็นอาวุธ้ายเหมือนมือซ้ายมือขวาเป็นช่วยกันสนับสนุนกันปัญญาจะเป็นผู้สอน ว่าทำไมไม่ควรทำตามความอยากสติเป็นผู้หยุดความอยากพออยากเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหยุดคิดถึงเรื่องที่เราอยากเดี๋ยวมันก็หายไปเลือกคิดในเรื่องที่ทำให้เราไม่อยากเช่นคิดถึงแฟนก็คิดถึงศพเขาพอคิดเขาเป็นซากศพคิดถึงอาการอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเขาก็ไม่อยากจะได้เขาเป็นแฟนถ้าเห็นโครงกระดูกเขาเห็นรับไตไส้พุงของเขา เห็นกระดูกเห็นอุจจาระเห็นปัสสาวะของเขามันก็จะทำให้หายอยากได้นี่ก็คือการใช้สติให้คิดไปในทางที่จะทำให้ไม่อยากหรือไม่เช่นนั้นก็หยุดคิดใช้พุทโธหยุดคิดไปได้ทั้งสองอย่างถ้าเห็นเป็นอสุภะได้ยิ่งดีเพราะมันจะไม่อยากเลยต่อไปเห็นเห็นแฟนที่ไหนก็เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเป็นซากศพไปเห็นอาหารก็เห็นว่ากายเป็นอุจจาระไป อาหารที่เรากินมันจะกลายเป็นอะไรมันไม่เป็นอุจจาระมันจะไปเป็นอะไรมันก็ไปเสริมอาการสามสิบสองบางส่วนก็ไปเสริมผมขนเล็บฟันหนังส่วนที่ไม่ไปเสริมก็กลายเป็นอุจจาระไปกินอาหารก็เหมือนกับกิบกนอุจจาระนี่เองถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะกินอาหารเช่นเราถือศีลแปแล้วตอนเย็นนึกอยากจะกินอาหารก็คิดว่ากำลังจะกินอุจจาระพอคิดอย่างนี้มันก็หายหิวเลยไม่อยากกิน น, นี่คือวิธีการใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆต้องมองมองบุมกลับอย่าไปมองมุมที่มันกิเลส ช, ชอบมองกิเลส ช, ชอบมองมุมสวยเราก็ต้องมองมุมที่ไม่สวยกิเลส ช, ชอบมองมุมที่อร่อยเราก็ต้องมองมุมที่ไม่อร่อยแล้วความอยากกินก็ไม่มีความอยากจะนอนกับแฟนก็ไม่มีนี่คือปัญญาที่จะทำให้เราละความอยากต่างๆได้ เมื่อเราละความอยากต่างๆได้การที่จะไปเกิดต่อไปก็ไม่มีเพราะเหตุที่จะดึงไปเกิดมันไม่มีเหมือนน้ำมันที่หมดถ้าเราไม่เติมน้ำมันพอน้ำมันหมดเราไม่เติมรถมันก็วิ่งไม่ได้น้ำมันที่พาให้จิตเราไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากนั่นเองแต่ทุกครั้งที่มันอยากเราก็ไม่ไปเติมมันเราไม่ไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมด หมแล้วก็จะไม่มีอะไรมาเด้งให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คืออร น, นิสงส์ก่อนของการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาก่อนแล้วก็เมื่อได้ทรงได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเลิศอันประเสริฐแล้วก็ทรงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเรายังไม่ไปไม่ถึงพระนิพพาน ภพชาติที่เราจะไปแต่ละภพชาติก็จะเป็นภพชาติที่ดีเป็นภพชาติที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีต่างๆเช่นเกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นคนดีเกิดเป็นคนฉลาดเป็นคนมีอมีความรู้มีความสามารถมีเพื่อนมีอะไรต่างๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้สองจากการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้มันจะพาให้เราเวียนว่ายอยู่ใน สุกติพบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีติดตัวมาแล้วณนะจนกว่าจะไปถึงพระนิพพานนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและได้ทรงรับทรงเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งจึงจึงได้น้อมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด ที่ยังต้องไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปราถนาต่างๆเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของตนเองที่ไปสร้างเหตุที่ไม่ดีเองเช่นไปทำบาปทำกรรมเป็นคนโหดร้ายทารุณราศจากความเมตตาปราณีเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คิดช่วยเหลือทาบุญทาทานให้กับใครจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยเป็นเป็นความเห็นผิดเป็นแต่เป็นการสร้างความ เสียหาให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเราจึงต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาสอนให้เราทําในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราก็คือสอนให้พวกเรามาสร้างบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของเราต่อไปในอนาคตดีขึ้นไปตามลําดับก็ขอให้เราเพียรพยายามมาสร้างบุญบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้กันเถิด และไม่น่าอาจจะเป็นชาติสุดท้ายของพวกเราก็ได้ถ้าเราสามารถสร้างบุญบรารมีเหล่านี้ได้เต็มที่เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำม า, าเรื่องบุญบรารมีทั้งสิประการนี้ไปพิจิตพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและการพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคาังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิตเชตุ สัพเพปุรันตุสังกปาจันโทปนะหราโสยธามณิจติหราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตงดถามตอบปัญหาดัางนั้นอยากจะถามถามในช่วงที่เรายังประชุมกันอยู่นี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองก็เขียนข้อความเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่อ่านคําถามให้วันนี้ทาง facebook youtube เข้ามาเท่าไหร่น้อมกับมรสการพระจาจารย์ครับวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมด384คน ทาง Youtube เข้ามาทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดคนแล้วก็ผู้อ่าเรดิโอมีทั้งหมดสิบเก้าคนรวมทั้งหมดห้าร้อยสิบเอ็ดคนแล้วก็ผู้ที่รับฟังบนเขาวันนี้มีทั้งหมดหนึ่ง้อยเก้าสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสองคนครับเจ็ดรอสองหวยออกแน่แ <laughs> <laughs> ใครไม่รู้จะแทงเล่นไหนก็ลองฟังเล่นเผื่อจะถูกะไม่ไม่ได้รับประกันว่าจะถูกมีคำถามก็เชิญอ่านได้คำถามฝากถามค่ะทำไมคนภาวนาจึงดูเหมือนไม่ค่อยสู้คนไม่ตอบโต้ยอมคนอื่นง่ายๆ ทำให้คนรอบข้างมองว่าเป็นคนไม่ทานคนเพราะเหตุใดเจ้คาคะเพราะคนฉลาดเพราะว่าคนรอบข้างไม่ใช่ศัตรูของเขาศัตรูของเขาคือกิเลสตัณหาอไอตัวที่มักใหญ่ไฟสูงตัวที่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีนี่แหละไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับเราคนรอบข้างเราไม่ใช่เป็นคนที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็สู้ชนะตนไม่ได้เพราะชนะคนอื่นก็เป็นเวรเป็นกรรมกันเราชนะเขาเขาก็โกรธแค้นโกรธเคืองเราเราแพ้เขาเราก็โกรธแค้นโกรธเคืองเขาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันไปแต่ถ้าเราชนะความโกรธในตัวเราชนะความโลภในตัวเราใจเราก็จะสงบ แล้วเราก็ไม่ต้องไปมีปัญหากับใครอันนี้แหละคือการชนะที่แท้จริงต้องชนะตนไม่ใช่ชนะผู้อื่นคนฉลาดเขาจึงไม่ไปต่อกรกับคนอื่นก็เลยลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคนยอมแพ้แต่ความจรงิงเป็นกำลังต่อสู้กับไอ้ข้าศึกตัวที่สู้ยากที่สุดก็คือตัวเองเนี่ยตัวที่จะเอาชนะคนอื่นตัวนี้มันสู้ยาก อาชนาคนอื่นมันง่ายทุบหัวเขาตีหัวเขาเขาก็กตายแล้วแต่ตัวนี้มันไม่ตายง่ายๆถึงต้องใช้สูตรสามยอมเข้าใจไหมยอมหยุดแล้วก็เย็นก็ยอมแพ้เนี่ยแหละไม่ไม่ยุ่งละใครอยาพูดอะไรใครอยาด่าแล้วก็ปล่อยเขาด่าไปเรายอมแพ้ปล่อยให้เขาด่าไปเราจะได้หยุดความโกรธแค้นโกรธเคืองได้พอเราหยุดได้แล้วใจเราก็จะเย็นมีความสุข ดีกว่าไปชนะเขาแล้วก็ใจก็ร้อนหวาดกลัวว่าเขาจะต้องมาทําร้ายเราต่อไปถ้าแพ้เขาก็ร้อนเพราะความเครียดพยาบาทเคียดแค้นอีกนั้นไม่ใช่วิธีที่ต่อสู้ที่แท้จริงของนักปราศนักปราศต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงก็คือกิเลส ต, ตัณหาที่มีอยู่ในใจนี้เคือความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ชนะตัวนี้แล้วใจเย็นใจสงบใจสบายไม่มีเวรมีกรรมกับใครอีกต่อไปคำถามฝากถามอีกคำถามค่ะทุกวันนี้หนูมีปัญหากับลูกสาวเป็นประจำคุยกันไม่เข้าใจลูกสาวติดเกมด้วยค่ะพอกําหนดเวลาให้ก็ไม่ค่อยทําตามที่เรากําหนดบอกจัดเวลาเองได้บอกว่าแม่ไม่มีเวลาเล่นด้วยลูกไม่มีอะไรทาก็ต้องเล่นเกมหนูจะทาอย่างไรดีคะ ทุกเรื ok ่องลูกเกือบจะทุกวันเลยเจ้าค่ะก็เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นตามใจเราเหมือนเขาเป็นกล้วยอยากจะให้ก็เป็นส้มพอไม่ได้ส้มก็ทุกเนี่ยเขาเจอแต่กล้วยเจอกล้วยก็ไม่อยากจะกินอยากจะกินส้มหัดกินส้มหัดกินกล้วยแต่เจออะไรก็กินอย่างนั้นลูกเขาเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับเขายอมว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาอย่างนี้ไป เรามีหน้าที่สอนเขาก็สอนไปเท่านั้นเองห้ามเขาก็ห้ามไปส่วนเขาจะดือ้อเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็มีมาตรการที่จะคอยลดความดื้อของเขาได้ลดให้เงินเขาน้อยลงไปซิทุกครั้งที่เขาดื้อก็ลดค่าขนมลงไปค่าใช้จ่ายลงไปเดี๋ยวเขาเงินไม่พอใช้เขาก็หายดื้อเองเราไปตามใจเขากลัวเขาจะทุกข์ยากลำบากก็เลยต้องให้เงินเขา ให้เงินเขาเขาก็เลยไปใช้กับของที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์กับเขาดังนั้นเราต้องฉลาดในการที่เราจะสอนคนเลี้ยงคนดัดนิสัยคนต้องมีมาตรการดื้อมากๆก็อย่างเนี้ยผู้ประกาศก็ส่งลูกไปอยู่โรงเรียนกินนอนทั้เลยไม่ฟังเราก็มันไปฟังคนอื่นคนอื่นมันไม่กล้าดื้อหรอกใช่ไงนั้นถ้าเรา สอนเขไม่ได้เราก็ต้องส่งไปให้คนอื่นเขาที่สอนได้เขาช่วยสอนให้โรงเรียนกินนอนมีเยอะแยะคนที่ไปโรงเรียนกินนอนส่วนใหญ่ออกมาแล้วจะเป็นคนดีมีคนเป็นคนไม่ดือ้อเป็นคนมีระเบียบมีวินัยถ้าลูกเราดือ้อก็ต้องต้องหามาตรการอย่าไปทุกข์ทุกไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องใช้ปัญญาคิดหาวิธีถ้าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเขาก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เรื่องของเขา เขาเป็นลูกก็เป็นลูกของเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแค่ชาตินี้เท่านั้นเองเดี๋ยวตายจากกันเขาก็ไม่ได้เป็นลูกเราแล้วเดี๋ยวเขก็จะเป็นลูกของคนอื่นต่อไปก็เป็นปัญหาของพ่อแม่คนอื่นต่อไปคำถามอีกคำถามค่ะปล่อยเงินกู้บาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกก็เป็นเหมือนกับเป็นการให้ยืมของจะไปบาปตรงไหนคนก็มายืมทัพพีม่อเราก็ให้เขาไป ขากลับก็อาจจะใส่ขนมมาในหมอ้อเราให้เขากู้ไปเดี๋ยวเขาขากรรไกรเขากลียวดอกใส่มากับเงินที่เขากูไ้ไปมันก็เป็นการช่วยเหลือกันและกันอยู่ที่ว่าจะโหดร้ายหรือไม่โหดร้ายเท่านั้นเองถ้าคิดดอกเยอะๆมันก็โหดร้ายเนั้นเองถ้าไม่คิดดอกก็แสดงว่ามีความเมตตาเอถ้าอยากจะมันไม่ได้อยู่ที่กู้ไม่กู้อยู่ที่ดอกไม่ดอกมากกวงนนดอกสูงดอก ก็โหดละไงขาดในความเมตตาไม่สร้างเมตตาบารมีถ้าอยากสร้างเมตตาบารมีก็ดอกเบี้ยศูนย์เอ า, เอาไปลเลยคำถามฝากถามค่ะขออนุญาตพระอาจารย์ตอบช้าๆเพราะว่าคนถามเป็นอ่าชาวต่างชาติค่ะจิตของมนุษย์อาศัยอยู่ตรงไหนคะส่วนไหนของร่างกายคะ การตอบภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเกเลียงค่ะกระเลียงอ๋อ <laughs> จิตจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายนะจิตอยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์นี้มันซ้อนอยู่กับโลกธาตุโลกธาตุคือโลกของร่างกายโลกนี้มีมีธาตุสี่ดินน้ำนุมไฟเป็นส่วนประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายของเรานี้สร้างมาจากธาตุสี่ดินน้ำนุ่มไฟ แต่ใจเป็นาธาตุรู้นี้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์แต่ใจสามารถเชื่อมต่อกับร่างกายได้ด้วยการส่งกระแสจิตมาเกาะติดที่ตาหูจมูกนิ้นกายใจจึงรับรู้ว่าเวลาร่างกายเห็นเห็นรูปได้ยินเสียงได้รับรู้ได้ด้วยการส่งกระแสจิตที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันโูตวิญญาณจากักขุวิญญาเนี่ย ตัวนี้เหมือนตัวที่มามาเชื่อมต่อระหว่างจิตกับร่างกายเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นร่างกายถูกลูกระเบิดระเบิดไปเป็นเสียงเสียงก็เพียงแต่ระเบิดที่ร่างกายจิตนี้ไม่ถูกลูกระเบิดด้วยเพราะอยู่คนละจุดกันอยู่คนละที่กันเหมือนกับหุ่นที่เขาใช้กู้ระเบิดหุ่นกู้ระเบิดกับคู่ที่ควบคุมหุ่นนี้อยู่คนละจุดกัน เชื่อมต่อด้วยสัญญาณวิทยุเนจะมีสัญญาณวิทยุเชื่อมต่อกันหุ่นก็สามารถส่งภาพให้คนควบคุมหุ่นได้ว่ากำลังเห็นอะไรแล้วคนควบคุมก็สามารถสั่งให้หุ่นทำอะไรต่างๆตามคำสั่งได้แต่ถ้าเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาก็จะถูกแต่หุ่นอย่างเดียวหุ่นก็จะถูกระเบิดแต่ผู้ควบคุมอยู่อีกจุดหนึ่งไกลจากจุดของระเบิด ผู้ควบคุมก็ปลอดภัยยันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวแก่ไม่ต้องกลัวเจ็บนะที่คนที่กลัวนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคนที่แก่เจ็บตายกับไม่รู้เรื่องกับไม่กลัวนั่นร่างกายมันไม่กลัวนะมันไม่รู้ว่ามันแก่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่รู้ว่ามันตายแต่ผู้รู้คือเจ็บผู้ควบคุมร่างกายนี้กลับไปกลัวแทนร่างกายเพราะความหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายคิดว่าอยู่ในร่างกาย คิดว่าถ้าร่างกายเป็นอะไรจิตก็จะเป็นไปกับร่างกายนะครับอันนี้คือความรู้ที่จะทำให้เราสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็จะไม่ต้องทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปท่านอาจารย์คะแล้วจิตไม่ใช่ใช่ตัวเราไหมคะจิตเป็นอนัตตาหรือเปล่าจิตจิตมันเป็น ผ, ผู้สร้างตัวเราไงตัวเรา เกิดจากความคิดความปรุงแต่งของจิตพอหยุดคิดปรุงแต่งตัวเราก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งก็เหลือแต่ตัวรู้ผู้รู้สักแต่ว่ารู้แต่ผู้คิด ผ, ผู้ผู้คิดว่าเป็นตัวเรามันหายไปเพราะนั้นตัวเราก็หายไปที่มันที่มันอยู่ก็เพราะเราไปจำมันไว้ไงสัญญาของเราจำไว้สัญญาจำว่าเรายังมีเราอยู่ แต่ความจริงมันเป็นแค่สัญญาสังขารความคิดความจำนั้นเองถ้าจิตถ้าจิตสงบหยุดสัญญาหยุดสังขารได้ตัวเราก็หายไปแต่มันจะหายไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมันก็เริ่มคิดเริ่มจาใหม่ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามามาแก้ความจำความคิดว่าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงแค่ความคิดความจำเท่านั้นเองอตัวเราจริงๆก็คือตัวรู้ตัวคิดทนั้นเองเจ้าค่ะขบุเจ้าค่ะ ต่ว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวจริงๆก็คือตัวรู้ตัวคิดที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเป็นผู้รู้ผู้คิดนี่เลยอีกคำถามฝากถามค่ะปฏิบัติแล้วพอใช้ชีวิตปกติจะมีอาการติดอยู่ที่คอสะอึกต้องสวดมนต์แล้วอาการจะหายจะทำอย่างไรดีคะอาการนี้คืออะไรเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยมัน ถ้าออกจากสมาธิแล้วมันเป็นก็ลองไปถามหมอดูเผื่อหมอก็อาจจะวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเพราะถ้ามันไม่ได้อยู่ในสมาธิมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตนะมันอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายก็ให้ไปถามหมอดูคําถามจากเฟซบุ๊กค่ะถ้าสวดมนต์อยู่ที่บ้านจําเป็นต้องใส่ชุดขาวทุกครั้งหรือไม่จ้าคะอะไม่จําเป็นหรอกไม่ใส่ลายอะไรก็ได้ ใส่ชุดนอนสวดก็ได้แล้วแต่เราอยู่ในห้องน้ำอาบน้ำก็สวดได้ไม่ต้องใส่ชุดอะไรก็ได้การการสวดนี้เป็นการสร้างสติไงซึ่งวจาะบอกสติเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งควรจะสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแม้กขณะที่อยู่ในห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าก็สร้างสติได้ถ้าเราสร้างสติด้วยการสวดมนล้วก็สวดไปถ้าเราสร้างสติด้วยการพุทโธล้วก็พุทโธไป ถาเราสร้างสติด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็เฝ้าดูไปวิธีสร้างสติมีถึงสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐานก็คือวิธีสร้างสติ40วิธีด้วยกันส่วนใหญ่เราจะรู้สองสามวิธีใหญ่ก็คือเฝ้าดูร่างกายเรียกว่ากายกตาสติถ้าพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าดูลมหายใจก็อน า, านาปนสติ อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมฐานสี่สิบเรื่องของการเจริญสติการสวดมนต์นี้จะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติก็ได้เราสวดบทคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมานุสติฉะนั้นการเจริญสตินี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของใจที่สามารถทําได้ในทุกอิริยาบถของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน วนเรื่องของการแต่งกายก็อยู่ที่ความเหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าอาบน้ำก็คงจะใส่ชุดขาวอาบน้ำไม่ได้ถ้าจะสวดมนต์ไปด้วยก็ไม่ต้องใส่ชุดขาวอาบน้ำก็เปลืองกายไปแล้วก็อาบไปสวดไป <c oughs> แต่ถ้าไปอยู่วัดที่เขามีการใส่ชุดขาวเราก็ต้องใส่ชุดขาวแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราจะเลือกใส่ชุดไหนก็ได้แต่โดยปกติก็ใส่ชุดที่สบาย ไม่ต้องไปใส่แบบสีเขียวสีแดงให้เหมือนกับจะออกไปงานราตรีที่ไหนก็ต้องดูการละเทศะความเหมาะสมคำถามจากคุณภาวินีค่ะเทวดาชั้นพรมที่เคยกระทำบาปขั้นรุนแรงเช่นฆ่าคนตายต้องมารับผลบาปที่ตนกระทำหรือไม่เจ้าคะก็เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไงก็อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาจับไปฆ่าได้เช่นพระโมกขานะ ถึงแม้จะเป็นพระละหันก็ยังต้องถูกเขาฆ่ า, าเพราะวิบากมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะเกิดมันจะเกิดตอนที่เป็นมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นเวลาตายถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต ไ, ไปตกนรกแทนอย่างอย่างพระ เ, เทวทัศน์นี่ยมเป็นมนุษย์เป็นพระมีทาบุญมีศีลมีอาจมีทำแต่ไปทาบาป ตายไปจิตก็เลยต้องไปตกนรกเนี่ยคำถามจากเด็กชายเดียดอคอมการวางกายวาจาใจเมื่อเราจะเป็นต้องพบปะหมู่คนคนหมู่มากหรือเพื่อนเราควรวางใจอย่างไรครับก็ให้ใจวากายวาจาใจมีศีลมีธรรมนั่นเองจะพูดอะไรก็อย่าพูดคำคาหยาบอย่าพูดเพ้อเจออย่าพูดพูดปลด ทำอะไรก็อย่าไปทําให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นเช่นอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีคือการที่เรามีศีลเนี่ยก็จะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยจะไม่มีใครมาจับเราไปขังในกรงถ้าเราทําผิดศีลนี่เราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานเขาก็จะไม่อยากให้เราอยู่กับพวกที่เป็นมนุษย์<ม><ม>เขาก็จะจับเราไปขังในกรง กรงก็คือคุกตารางถ้าเราไม่รักษาศีลเราทำบาปทาผิดกฎหมายก็ต้องถูกเขาจับไปขังในคุกในตารางางั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างปกติสุขอย่างเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลห้าเป็นเครื่องกำกับการกระทาของกายวาจาใจคำถามจากคุณวารินค่ะพ่อชอบของเงินลูกไปซื้อเหล้าถ้าไม่ให้จะบาปไหมคะ ไม่น่าจะบาปนะเพราะว่าการให้พ่อไปกินเหล้านี้มันบาปไม่บาปแล้วไม่แล้วก็ไม่ได้ขาดความเมตตาด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทำให้พ่ อ, อมีความสุขจริงกับทำให้พ่อมีความทุกข์มากขึ้นเพราะร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นแล้วจิตใจก็จ ะ, ะติดสุราเวลาไม่ได้ดื่มสุลาก็จะทุกข์ทรมานใจดังนั้น ไม่ควรให้ได้จะดีกว่าให้พ่ออดลงแดงไปให้ได้ถ้าลงแดงไปได้หายหายอยากกินเหล้าจะได้เห็นโทษของการดื่มโุลาต่อไปก็จะเลิกดื่มสุราได้เราต้องใจแข็งนะใจแข็งถ้าพ่อข อ, เ, อเงินไปดื่มสุลาอยาให้นแล้วถ้าให้เงินพ่อจะบาปไหมเจ้าจคะให้เงินพ่อไปกินเหล้าค่ะก็นั่นเลยก็อย่าไปให้นไม่บาปไม่บาปไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้บุญให้ก็ไม่ได้บุญให้แบบนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญเพราะเป็นการส่งเสริมให้เขาไปทําบาปออืแต่ถ้าพ่อไม่มีข้าวกินนี้ให้พ่อพ่อของเงินไปซื้อข้าวกินนี้ก็ต้องระวังว่าหลอกเราหรือเปล่า <c oughs> ก็พาไปซื้อข้าวกินมานั่งดูต่อหน้าเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไปเอาข้าวแบบข้าวยอดข้าวเขาเรียก คำถามจากคุณภูกิจค่ะบุคคลที่จะมาปฏิบัติได้และจะมีปรารถนานิพพานในชาตินี้แสดงว่าต้องมีบา ร, รมีสะสมเยอะพอสมควรใช่ไหมครับนั่นแหละก็ต้องเคยสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนี่ยธรรมะบา ร, รมีมาก็าจะง่ายแตถ้ายังไม่สร้างก็ต้องมาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเหมือนถ้าเรายังไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนเราก็ต้องไปเริ่มที่ อนุบาลชั้นอนุบาลก่อนแต่ถ้าเราเคยอยู่ชั้นม .4 แล้วเราก็มาเรียนต่อได้เลยม .4 ม .5 ไปพวกที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือมาก่อนก็ต้องเริ่มที่อนุบาลก่อนเพราะจะข้ามขั้นไม่ได้นั้นผู้ที่ยังไม่เคยจเจริญเจริญเมตตาไม่เคยทำทานไม่เคยรักษาศีลจะไปบวชนี้คงจะยากต้องทามีเมตตามีทานมีศีลก่อนเราถึงจะไปเม็ไนยธรมะได้ ไอัเา บ, าำบคำถามจากคุณชาญชัยค่ะการํำเงินไปรูปทาบุญไปสร้างโบสถ์วิหารต่างๆตามที่มีข่าวสารตามวาระโอกาสเรื่อยๆก็สุขใจแต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าไหร่กับอีกครั้งหลังเห็นหลังคาเป็นไม้เกรดรั่วเป็นรูหลายจุดถือโอกาสกราบเรียนจเจ้าอาวาสซ่อมแซมใหม่ซ่อมไปก็มีความสุขใจไปด้วย เพราะได้ทําเองเสร็จแล้วก็ไปกราบเรียนท่านท่านว่าซ่อมได้บุญมากกว่าการสร้างรบ ก, กวนพระอาจารย์ขยายาขยายาความให้หน่อยครับไม่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่ซ่อมหรือสร้างอยู่ที่ว่าประโยชน์เกิดขึ้นเราเห็นกับตาเราหรือเปล่าถ้าเราเห็นประโยชน์เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เรามีความสุขบางทีเราไม่เห็นประโยชน์เราให้เงินไปแล้วเราไม่ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรหรือสิ่งที่เขาไปทํานั้นมันมีประโยชน์ไหม บางทีมันไม่จําเป็นจะต้องสร้างก็ไปสร้างอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยประทับใจเช่นโบสถ์อย่งงางเงี้ยจาเป็นจะต้องสร้างไหมถ้าไม่มีความจำเป็นไปสร้างมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่มีความประทับใจเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีโบสถ์จำเป็นจะต้องมีโบสถ์นี่เราสร้างนี่ยมันจะทําให้เกิดความประทับใจขึ้นมาดงั้นเราต้องเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการกระทําของเราจากการเสียสละของเรา แล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจประทับใจเานั้นทำลายยุงทีบางทีก็ต้องใช้ปัญญาคือบางทีใครมาเรียกลายเราก็อาจจ ะ, ะถ้าปฏิเสธไม่ได้ก็ทำไปพอประมาณพอไม่ให้เสียมารายาทส่วนที่เราจะเกิดความประทับใจเราก็ต้องไปดูสถานที่ ท, ที่ต่างๆที่เราเห็นว่าเขาขาดแครนอะไรเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรล้วพอเราได้ทาสิ่งเหล่านั้นมัน มันเปลี่ยนชีวิตของผู้ที่เราไปช่วยเหลือให้เขามีความสุขกําจัดความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาได้มันก็จะทําให้เกิดความสุขในใจเรามากกว่าดัางั้นต้องดูว่าการทําบุญทําทานของเรานั้นเกิดประโยชน์อย่างไรหรือไม่คําถามฝากถามนะคะอุบายในการละผู้รู้และคิดในทุกขณะ จ, จิตทําอย่างไรในเมื่อรู้และคิด เป็นเป็นธรรมชาติไม่มีวันจบผู้รู้ไม่ต้องละหรอกให้ละให้ละผู้โลกผู้โกรธผู้หลงเนี่ยไปฟังคําสอนใครก็ไม่รู้ให้ละผู้โลกผู้โกรธผู้หลงผู้อยากเนี่ยพวกนี้ต้องละมันแต่ผู้รู้ไม่ต้องไปละหรอกผู้รู้เพียงแต่ต้องสอนให้ฉลาดท่านึงตอนนี้ผู้รู้โง่ชอบไปทําตามผู้โลกผู้โกรธผู้หลงนี้ต้องใช้ปัญญาเออ ผู้ฉลาดมาสอนผู้รู้ว่าอย่าไปทำํำอย่าไปทําตามผู้รู้ผู้โกรธผู้หลงผู้โลภผู้อยากเพราะจะทางให้ไปเจอแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าอยากจะมีความสุขความสงบก็อย่าไปทําตามความโลภความโกรธความหลงความอยากผู้รู้นี้มันละไม่ได้มันมันรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับไปละไป ไปให้ดวงอาทิตย์หายไปนี้มันไม่มีหายหรอกดวงอาทิตย์มันก็มีของมันอยู่องั้นไปตลอดเวลาถ้าเราไม่อยากจะมีแสงแสงอาทิตย์เราก็ไปสร้างหลังคาบ้านสิมันก็ป้องกันแสงอาทิตย์เข้าบ้านเท่านั้นเองตัวผู้รู้ไม่มีปัญหาตัวตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวโลภกดหลงตัวอยากที่ผู้ผู้รู้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นโทษไปหลงทําตามเท่านั้นเอง นัองสอนผู้รู้ว่าอย่าไปทำตามความโลภความโกรธความหลงความอยากคำถามจากคุณบีค่ะมีเพื่อนถามว่านรกสวรรค์ของศาสนาอื่นจะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันยังงั้นแหละนรกในอกสวรรค์ในใจผู้ที่สร้างนรกผู้ที่อยู่รับผลที่ไปนรกก็คือใจเหล่านี้แหละใจเหล่านี้เปรียบเทียบเหมือนกับโรงละครก็ เ, เห็นโรงละครไหม โรงละครนี้เขาสามารถจัดฉากต่างๆได้ใช่ไหมบางทีก็เป็นบ้านบางทีก็เป็นราชวางังบางทีก็เป็นสลัมบางทีก็เป็นป่าเป็นเขาดูงิ้วหน่ยนี่ก็โรงละครจิตแล้วก็เป็นเหมือนโรงละครเราจินตนาการสร้างต่างๆขึ้นมาในใจด้วยการกระทําของเราเวลาเราทําบาปแล้วก็สร้างเรื่องผาดโผนเรื่องวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นในใจเราเวลาเราทําบุญเราก็สร้างแต่เรื่องที่ดีที่มีแต่ความสุข เวลาเรานอนหลับมันก็จะมันก็จะมาฉายให้เราดูตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับแล้วฝันดีก็แสดงว่าใจเรามีบุญเป็นผู้สร้างละครให้เราดูเวลาเรานอนหลับแล้วฝันร้ายก็มีบาปเป็นผู้สร้างเรื่องร้ายๆต่างๆให้เราดูเรื่องร้ายต่างๆแล้วก็เรียกว่านรกหรืออบายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจเรื่องของ ถ้าเรื่องของความสุขฝันดีมีความสุขก็เป็นเรื่องก็เป็นสวรรค์ขึ้นมานี่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี่แหละใจเราเวลานอนหลับนี่สังเกตไหมนอนหลับฝันดีฝันว่าไปนู่นมา น, มานี่มันไม่ได้ไปลมันมันเป็นความคิดความฝันจินตนาการสร้างขึ้นมาในใจนั่นเองกจากตอนที่ตอนที่เราตื่นว่าเราไปทาดีแ้วทาไม่ดีทาดีมันก็เก็บภาพที่ดีไว้ในใจ ทำบาปมันก็เก็บภาพที่ไม่ดีไว้ในใจแล้วตอนเวลานอนหลับมันก็มาฉายให้เราดูทีนั่นเองยังนงลกสวรรค์ของคนทุกาศาสนาเหมือนกันมันอยู่ในใจของเขาเกิดจากการทำบุญรือทำบาปของเขานี่นเองอ่ะเอาอีกข้อนหนึ่งนะค่ ะ, ะ, ะสุดท้ายคำถามจาก youtube ค่ะคำถามจากคุณลิซ่าถ้าเราผิดศีลไปแล้วแล้วเราปรับปรุงถือปฏิบัติใหม่ความผิด ยังคงอยู่ไหมเจ้าคะลบร้างอย่างไรเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ล้างหรอกผิดก็ผิดไปเราก็ทําความที่ถูกต่อไปต่อไปความผิดนั้นมันก็จะมีสัสดส่วนน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราทําแต่สิ่งที่ถูกแล้วเวลามันจะแสดงผลมันก็อยู่ที่สัสดส่วนระหว่างส่วนที่ผิดกับที่ถูกว่าอันไหนมีมากกว่ากันถ้าส่วนที่ผิดมีมากกว่าส่วนที่ถู ก, ม, กมันก็จะแสดงผลไปในทางที่ผิด ถ้าถ้าส่วนที่ถูกมันมากกว่าส่วนที่ผิดมันก็มันก็จะแสะดงไปในทางที่ถูกนะยันไม่ต้องไปกังวลนะบาปที่เราทำแล้วบุญที่เราทำแล้วเราไปจัดการไม่ได้แล้วแต่เราจัดการบุญกับบาปที่เรายังไม่ได้ทำได้อยู่ยังพยายามทำบุญเยอะๆล ะ, ละละบาปไปเรื่อยๆต่อไปบุญของเราจะมีมากกว่าบาปแล้วบุญมันจะมีอิทธิพลส่งผลได้ก่อนบาป